ทำต่อเป็นส่วนวระกอบประการศึกษาปฏิบัติที่เรากำลังศึกษาปฏิบัติกันอยู่ให้ได้ยินในสิ่งที่เราทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เราได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวแป ชีวิตของเราต้องศึกษาเราได้กายได้ใจมานั้นเหมือนกับตำราเป็นจูดเป็นจำเลยใจะให้ถูก่ ใ, ให้โทษถ้ากายถ้าใจเฉยๆยังใช่ไม่ได้นั้นเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไป กานไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ทนยก่กกายใจนี้เราจะเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราจะเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์อันที่เกิดจากกายจากใจเราจะมาศึกษาแต่เราไม่ศึกษาไม่พัฒนามันก็ใช่ไม่ได้มันเป็นสังขาร สังขารคือร่างกายจิตใจอันไม่เที่ยงเราจึงต้องมาดูมาเอาประโยชน์จากกายจากใจนี้ใช่ให้มันถูกต้อง นั้นพ่วงพ่วงแพรขี่ข้ามภาคกว่ามันจะพุจะพังเราใช่กายใช่ใจว่ากายใจมันใช่เราได้ประโยชน์จากกายจากใจไหมเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเอากายเอาใจมาไว้เป็นสุขเป็นทุกข์เอาไว้หลงโทษ เอาไว้ช่างปัญหานี่มันก็ไม่ถูกต้องก็ตายเป็นที่สุดรลบชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเ อ, เอาฝากไว้กับกายกับใจนี้มันไม่เที่ยงก่อนตายที่มันอยู่กับกายกับใจนี้มันเที่ยงกว่า เที่ยงกว่าความไม่ตายถ้าเอาถ้าเรามีกายมีใจเฉยๆนี่ไม่พัฒนาต้องมองแบบพระชิตถะเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแจกต้องมีไม่แจกเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายเนการ แล้วเาตอบให้ได้มันไม่ใช่เรื่องเดียวแต่เราพัฒนามันให้มาเห็นเป็นรูปเป็นนามกายใจนี่เป็นๆธรรมรีกว่าธรรมกายรูปธรรม ม, มันทรรมเป็นธรรมเกิดขึ้นจากกายจากใจสองต่อเราก็ได้ประโยชน์จึงมาศึกษาด้วยการมีสติแต่เราพยายามใช่ให้มันสู่ธรรมชาติกายใจนี่ออกกำลังกายพอสมควรสม่ำเสมอ กินอาหารที่มันย่อยง่ายเป็นธรรมชาติไห้มากที่สุดอาหารทุกวันนี้ก็เป็นไม่ใช่เป็นธรรมชาติอาหารกินไวอาหารกินเร็วอาหารฟาดพูดคนอื่นทำให้ ยอมความสะดวกรีบถ้าไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียเนี่ยเขาไม่มีตู้เย็นตู้เย็นเขาเรียกว่าโรงเย็นไปสองพันนาประเทศจีนนี่จนอายุยืน เาก็ไม่ค่อยมีตู้เย็นเัาได้ปลามาเขาก็มาย่างมาอบวานอบไฟทานแล้วก็สุกก็บดไว้ให้มันเป็นผงเป็นผุย๋ยเราจะกินก็ตักมาปนกับผักกับจ้าแกงกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็เรียกว่าแกงลาว สิบสองปนาก็เป็นลาวไทยใหญ่คนแถบนั่นได้ยืยืน mm hmm. เออพวกลาวพวกไทยใหญ่ย้ายมาอยู่โนนไทยแต่สมัยสงครามที่สมัยไหนสมัยราชการที่สามโ <c oughs> นไทย ชนะคนลาวก็ไปต้อนของคนลาวมาอยู่แถวเนี่ยแถวสรั บ, บุรีบ้างโนนไทยคนลาดบ้างแต่ก่อนเรียกว่านนลาวคนลาวอยู่ต่อมาเลยเปลี่ยนเป็นโนนไทยซะแถบนี้ยังมีประเพณีคนโบราณอยู่แต่นี่ก็อาจจะหมดไปแล้วจินลาเขาไม่เห็น เป็นขี้นเป็นปลาเป็น ป, ป่นปเป็นอะไรไปบางทีเราก็มีเห็นทุอนปลามันก็จินไม่ถนัดบางทีต้มก็ไม่ค่อยเปื่อยแข็งแขงอยู่ยิ่ยงไม่ถนัดถ้าเป็นไปนได้ให้มันไม่เป็นขี้นละดีที่สุด แล้วก็อยู่ในนเวทวิทยาแบบพุทธในเวทวิทยาให้เป็นให้เป็นแบบของพุทธทศชาติเหล่ า, า, ามีตาธรรมชาติอาบแสงแดดบ้างสู่ธรรมชาติบ้างใช่ให้มันให้มันสำเร็จได้ประโยชน์ หลับฝึกสมาธิมีสติหัดตน้นสอนตนอย่าปล่อยให้มันเทื่อนมันจะลงโทษปัญหามันเกิดจากกายจากใจอย่าให้ปัญหามันเกิดที่นี่ให้มันเกิดเป็นปรรัญญาอะไรที่มันเกิดจากกายจากใจที่เป็นปัญหานันแก้เวียน เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกด้วยว่าปฏิบัติธรรมให้มันเห็นแจ้งตามความจริงสัมผัสไม่ใช่ความคิดนั้นหลงสัมผัสความหลงมันรู้สัมผัสความรู้อย่าจนขนส่งให้จากหลงให้ถึงรู้ จากทุกข์ให้ถึงไม่ทุกข์จกโกรธให้ถึงไม่โกรธขนส่งศาสนาในเป็นการขนส่งให้พน้นศาสนาเรื่องชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาเป็นประเพณีศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาพิธีไม่ใช่อย่างนั้นไม่เป็นเป็นศาสนาธรรมใช้ได้ ความหลงไม่เป็นธรรมกวามไม่หลงเป็นธรรมความหลงเป็นธรรมแต่เป็นอกุศลกวามไม่หลงเป็นธรรมเป็นกุศลมันดีกว่าเป็นธรรมสัมผัส ด, ดูไม่ใช่คิดไม่ใช่สมองไม่ใช่เหตุผลเป็นการสัมผัส ด, ด้วยชีวิตจริงๆ นี่เราเขนส่งให้มันพ้นจากปัญหาให้เป็นปัญญานี้สตินี่สัมปชัญญะอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธนี่ว่าสติอย่าพึ่งไปพอใจอย่าพึ่งไปไม่พอใจให้มีสติก่อน อย่าตัดสิ้งใจง่ายอย่าใช่แต่ไปต่ป ะ, ปะให้ชัดเจนแม่ยยมหัดใช้ชีวิตให้แม่นยมชัดเจนถ้าไปหัดมันไม่เป็นเราใช่กายใช่ใจต้องหัดให้มีสติแล้วจึงมาหัดกรรมาฐานให้รู้สึกตัวเนี่ย เคืนไว้ไปมาอยู่นี่หัดใช้การบางทีก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวหัดรู้เฉยๆเอาอารมณ์หายใจมาลู่ก็ได้บางทีเราก็หายใจฟรีๆมานานแล้วเอามาใช้ให้เป็นอามอว่าผิดสติเกิดจากลมหายใจได้ก็ดีจะให้มันฟรี จะมาใช้โดยเฉพาะเวลานอนมันไม่มันไม่ได้ทำอะไรเราต้องรองหายใจมาหัดนนอนไม่หลับก็ดีจะได้หัดอยู่กับลมหายใจอย่าเอาความคิดไปบังคับอยากให้มันหลับอยากให้มันหลับนอนไม่หลับไปคิดว่าตัวเองนอนไม่หลับความคิดที่นักว่านอนไม่หลับนั่นอ่ะมันไม่ค่อยดี กินไปได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดว่าเรากินไปได้เรากินไปได้นไไดอ น, นั้นอันตรายเหลี๋ยวก็กินได้ไม่เป็นไรนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรกินไปได้ก็ไม่เป็นไรอย่าให้ความคิดไปแทรกซ้อนเอามาเป็นทุกข์กังวลวิตกกังวลกลัวไปไกลจะเจ็บใข้ได้ป่วย เพราะความคิดที่มันปรุงไปไปถึงเกี่ยถึงเก็บถึงตายเก็บไม่ได้ก็ไปถึงเกี่ยถึงเก็บถึงตายนอนไม่หลับก็ไปถึงเกี่ยถึงเก็บถึงตายมันดึงไปทางนั้นต้องบอกว่าไม่เป็นไรเราจะรู้มันอยู่นี่แหละนอนอยู่นี่แหละมีสติอยู่นี่ยิ้มอยู่นี่มันก็จะหลับง่ ถ้าึกหัดอะไรก็อะาเอามาเป็นปัญหาเป็นการเกิดดับเกิดดับในความคิดในปัญหานั้นเราจึงหัดใช่กายใช่ใจให้ตรงให้เป็นถ้ามันไม่ถูกต้องหัดให้มันถูกต้องซะสศนเรา โอ้โหลส่วนวัสนวส่วนควายวัเทียมเวียนวายเทียมไถถ้ามันไปทางซ้ายก็บอกไปขวาขวาขวาแตมันไปทางขวาเกินไปก็บอกมันไปทางซ้ายซ้ายซ้ายแล้วมาเดินตรงเออตรงไปตรงไปตรงไปไปไปอ่า<ป><ป>ท้ายอยู่รู้จุดจุดไป <c oughs> ไป หยุดหยุดถ้ามันไปตรงก็งให้มันหยุดเดี๋ยวมันก็รู้จักเฉภาคเหนือประเทศพมา่านองต่อไปดูประเทศพมา่าคนหนึ่งมีเวียนบรรทุกอ้อยเป็นสิบคันยี่สิบคันยี่สิบเล่มมีคนเดียววางดีก็เดินไปขึ้นเวียนเล่มหน้าวางดีก็เดินลงมากลับมา ขึ้นเล่มหลังไปไปยืนยุกไม่เรียวขึ้นไปไปจะมาไป้ายก็ไขวะขว้ะแล้วก็ไปขึ้มันเอาให้มันหยุดหยุ ด, ย ด, ยดไปโจทย์ลนโรงงานเห็บอ้อยไม่ต้องปลดมันยืนอยู่นั่นเอาใบายอ้อยให้มันกินมันก็จินคาเวียนอยู่นัน่นไม่ได้ไปไหน วัวมันยังัดได้ควายก็หัดได้ช้างก็หัดได้เคยไปดูบางจะเข้ไหมไอ้เด่นไอ้เด่นไอ้เด่นมันยะเพ้อประตูอยู่นั่นเดี๋ยวเราเดินไปมันจะมาตอนรับยิ้มกราบเราเด็นเดนหลงตามาเยี่ยมแล้วง่ายเลย วิ่งนะหมาก็กรบลงกรบลงก็รองอ้โอ้ยหลวงตาไม่เคยได้ยินดอกเด่นเบาขึ้นไปกรอบอีกอ้าอยู่นะกรอบลงสามครั้งเจอกูยังไม่ใช่ได้เนี่ยก็ยังสอนได้ บางทีก ok ok ็มันเต้นลําให้ดูโยนเหรียญบาทเหรียญจิบให้มันอยู่วนไปทีมันก็เอาช่างเต้นอยู่มันก็เอามือองวงไปจับเอาเหรียญได้เอามาใส่กระเป๋าให้เจ้าของหาเมื่อยเต้นอยู่งวงก็เต้นไปไปจับเอามาใส่เจ้าของมันทำได้เราเนี่ยน้อายสัต์บางทีเงินพิกษุนี้เอาข่าง สอนตัวเองอยู่บนเขาคิดจะกูดมองไปทางล่างเห็นเขาช้างลงอาบน้ำในห้วยเจ้าของก็นั่งอยู่บอกช้างลงไปลงปอยช้างก็อาบน้ำบอกให้มุดมันก็หมดบอกให้โผลขึ้นมาก็โผลบอกให มันล่างข้างซ้ายมันก็อ่าน้ำมาพ่นขีดใส่ข้างซ้ายบอกน้ไมเราน้ําล่างข้างขวามันก็ขีดน้ําสูดน้ําคงงวงแดงๆพูนใส่ข้างขวบอกเขาพูนข้างหลังสีดขึ้นพูนหลังบอกเขาโมดอยู่บอกเขาขึ้นมาก็ขึ้นมันก็มีต้นไม้อยู่นั่นอ่ะบอกขึ้นมาแล้วบอกมันนวดนวดนวดท้อง มันก็ออดท้องเอ็นเฉยตอนไหม่บอกให้นวดข้างซ้ายมันก็ออดข้างซ้ายเอ็นเฉยตอนใหม่บอกให้นวดข้างขวาก็ข้างขวาเอ็นเฉยตอนใหม่บอกให้นวดหลังก็หลังนวดบอกให้มาหามันก็มาหาพิกซูนีอ้ยช่างก็ยังฝึกได้โนอเรานี่มันจะงูกับช่างเลยมาฝึกตัวเองจนได้เป็นพระอรหันเอาอยาก ให้เอาอันดีๆมาฝึกตนสอนตนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ช่างเอาคําสอนเนี่ยแน่นอนที่สุดอาญาณปัจนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายเนี่ยมีทุกคนกายนี่อะไรที่มันเกิดกับกายคอยดูมันให้เอามาใช่มันรู้อย่าให้กายใช่หลงเป็นตัวเป็นตนอยห้กายใช่สุขให้ทุกข์ ให้มันรู้ลองดูเฉมันจะได้คำตอบจบโปรยเรื่องกายเรื่องจิตก็เหมือนกันเรื่องน้าก็เหมือนกันแล่วจิตใจเนี่ยมันคิดไปก็จไปกับมั น, น <c oughs> เวลานี้เรามาใช้ไมต่ต้งคิดเรามารู้กายอยู่เนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่มานั่งคิดต้องไปใช้ความคิดอมารู้ซะ ก, ก่อน เราอยู่นานๆรู้นานๆแต่ควาคิดกันมาก็รู้อ่าเอาเลยทักท่วงโตตอไม่ไปกับความคิดความคิดไปให้สุขไือทุกข์ก็ไม่ไปกับความคิดไปให้เบื่อให้หน่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นเพิ่มๆกันก็เรียกว่าอารมณ์ธรรมอารมณ์ความโมงเหงาหานอน เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาก็รู้มันปลุกตัวงให้ตื่นแต่ง่ว ง, ง, วงก็มีวิธีหลายอยา่อยางถ้าสติช่วย ไ, ได้มันดัอโอนน้ำน้อยก็ย่องแพร่ไฟเอาไม้ขุนหูมีไหมไม่เพี้ยนมนีไม่พุนหูไม่ขุนหูถ้าไม่มีไปขอรงตานะ มีอยู่เอาไม่ฟุ้นหูวแล้วเขาพันสำมรีไว้ดังอย่างดีเลยทำความจาดหูน้องขนหูให้รูอยู่ที่นี่นะมันยังไม่หายก็คแคบอีกน้าล้างหน้ายืดตัวยืดตัวขึ้นตั้งต้นใหม่มองท้นไม้ มองท้องฟ้าทิศเหนือทิศใต้มองเวลาเวลานี้เป็นเวลากลางวันไม่ใช่กลางคืนกลางวันเป็นเวลาทํางานกลางคืนเป็นเวลานอนบอกตัวเองเดี๋ยวก็หายอย่าไปสจุกมันง่ายเกินไปตบมัง่ง่วงก็หลับตาบีอ่อนไว้เลยอ้าปากเหา่าอย่าไปอ้าปากเหา่าปิดปากไว้ ให้ลมออกหูแล้วก็แช่ลองดูเปลี่ยนลองดูหรืว่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเวลานี้เรามามีสติล้วกลับมาตั้งต้นไปเรื่อยถ้าวันนี้เรื่อยๆก็ชำนาญขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนมันก็ยังเป็นอยู่ง่วงจนตายไปไหนไม่ได้ การบรรลุธรรมเบื้องต้นบรรเทาสังโยชน์ได้สามสาไม่ยากสกกายะทิฏฐิคือมีไม่ตรีตัวไม่ตนในกายให้อว า, ายไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรที่เกิดกับกายไม่ใช่ตัวใช่ตนควมหล่อควบหนาวควบปวดควมหิวเยาวมาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสักแต่ว่ากาย หมดไปแล้วเอากายมันเป็นตัวเป็นตนตไม่มีแล้วสกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิในกายว่าเป็นตัวเป็นตนเลยวิจิติชฌาไม่สงสัยความหลงไม่สงสัยความรู้ไม่สงสัยไม่เอะใจคำว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเรียกว่าวิจิติชฌา ไม่สงสัยเลยต้องดนี่แน่นอนควมหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไปถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องไม่สงสัยไม่เสียเวลาไม่มีคําว่าทําไมทำไมทำไมมันหลงก็อือมันทุกข์ก็อือมันสุขก็อือมันงอก็อืออืมอืออืมี่บางโอวิปัสสนาถึงบางโอ้ิเขาใจอย่างนี้อืออย่างเนี้ย อัะไรที่เราอืมมันงั่นบรลุธํามแล้วเหมือนอัญญาโคนธัญญาอืมโอ้เจ้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิไหนไม่เที่ยงสินั่นเป็นทุกข์สิไหนเป็นทุกข์สินั่นไม่ใช่ตัวตนสิไหนไม่ใช่ตัวตนไม่ควรคิดว่าเราว่าของเราว่าตัว มันกลยุทธ์ของมันก็ตอบสนองเหมือนหมอรากษาคนป่วยตอบสนองมันตอบสนองเหมือนลงตาลดน้ําต้นไม้มันเหนียวน้ําไปใส่มันตบสนองมันชื้นขึ้นมาเหมือนกัชีวิตมันแต่พระเจ้าก็บลูกถามมันยาฉีวัตรโพคนทันโยอัญญาฉิวตรโพคนทันโยอัญญาลูกเราหรือเนี่ย รู้แล้วรู้แล้วอืมอ่ะคำว่ารู้แล้วรู้แล้วนะมันเป็นลุ่งอรุณกระแสแห่งมรรคแห่งผลมันไม่หาที่ใดมันเห็นวิกิจรชชาไม่มีแล้วทําลายลงเลยหมด oh เป็นเลยศีและปัจจัยป ร, าปรมาถามวะพิษพิถุพิถุไม่มีพิดเป็นผิดถุ็นถุไม่มี เหนือผิดเหนือถูกเหนือสุขเหนือทุกไปได้บ้บงเบาลงมาเบาลงเหมือนเราอยู่หวองน้ำครึ่งครึ่งถึงเ่วแลยวรืต้ตนน่ะถึงเอวแลวไม่เหมือนกับอยู่ลอยคอแต่ก่อนมันลอยคอมันแบบ น, นี้มันเพียงเอวมันขึ้นเพียงเอวไม่ต้องลอยคอ สามารถก้าวขึ้นฝั่งได้แต่ก่อนลอยคอขึ้นไม่ได้มันเป็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนอยู่ในห้องน้าลอยคอขึ้นไม่ได้จะก้าวขึ้นได้ไงมันสูงระหว่างสุขระหว่างทุกข์ระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เคยเห็นไม่เห็นกระแสะเหมือนเหลือเทือบท่าเหลือเทียบท่าเหลือเทียบท่าไม่ต้องมีท่าขึ้น จักรยานทิฏวิกิจิชาสีบตาพระบานลาด ท, ที่สุดเลยขึ้นท่าได้ง่ายถ้าขึ้นฝั่งเป็นมักผลผนิพพานขึ้นได้ง่ายเห็นไม่เป็นน่ยหรืว่ามีโอกาสขึ้นง่ายเห็นด้วันวิกิจิชาสีบตาป ร, ป ร, ปรมาจารย์สามอย่างแถวนี้แล้วจะให้มันยากไปเปล่ามันก็ไม่มีที่ไหนนี่ย ให้ความหลงมันยากให้ความทุกข์มันยากเหลอยากให้ความง่วงมันยากเหลอให้ความเห็นมันยากเลยเห็นผิดอย่างนั้นเหรือเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกเห็นชอบอยู่เช่นนั้นเราความผิดมาลงโทษไม่ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอยู่เช่นนั้นหรอไม่ใช่ชีวิตอันนั้นไม่ใช่ชีวิตต้องพัฒนาให้มันเห็น อย่าไปความทุกข์มาต่อรองกับความไม่ทุกข์ ไ, ไว้ๆช้าหน่อยเหมือนไฟตกเสีขาเราปัดออก ไ, ไว้ๆเตมหลงปัด อ, อกไปไว้ๆรูลงไปห ล, ลงที่ในรู้ทันทีให้มันไหวเข้าไปอย่าให้มันช้าหลงเป็นหลงทําไมทําไมทําไมทุกข์เป็นทุกข์ทำไมทําไมมันช้ามันเป็นแผลเป็นแผลในใจมันเป็นลอยทุกข์ลอยสุข รักลอยแค้นมันมีอยู่ในชีวิตเราถ้าไม่พัฒนาม า, มารักษามาปฏิบัติมาฝึกมาซม้อมพิตให้มันดีพวาเขาจาอเสียงไม่ดีให้มันดีขึ้นมาถ้าวันไกลออกไปเหมือนเราอยู่ที่สูงขึ้นมาแล้ว อันความโกรธความรู้ความห ล, ลงความทุกข์ความสุขมันอยู่ต่ำๆนอนเราอยู่นี้มันไม่ถึงเราีย่ว่าใจมันสูงขึ้นเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจมันสูงอย่างไรมนุษย์ได้บรรลุธรรมคนนี่ไม่ได้บรรลุธรรมคนนี่ไปสู่นรกเท่ากับขนโค ปนูนกันเรินไปสุกทุกทุกทุกทกเลกเลเกียดเกียร์สังสังรูว่าขนคุมร้อยความดีแบบนั้นหรือว่าขนมันปนูนกันไม่มีโอกาสปรุลุทำได้น้อยที่สุดไปสู่มรสู่ผลเท่ากับเขาโหขนกับเขามันมากกว่ากันถ้าใจมันสูงอย่างนี้ ไปสวรรค์มักขนนิพพานได้กับขนโคไปนรกน้อยที่สุดเท่ากับเขาโคลเท่านี้มันจะเอาได้ไงมันหลงมันไม่หลงมีอยู่เนี่ยมันจะไปทางหลงได้ไงตัดสินใจได้เลยความทุกข์ความไม่ทุกข์มีอยู่เนี่ยความโกรธความไม่โกรธมีอยู่เนี่ยตลอดถึงชั่นาญไปชั่นาญไปก็ความเกิดความไม่เกิดมีอยู่ ความเจ็บก็มไม่เจ็บไม่อยู่ความเจ็บก็มไม่เจ็บไม่อยู่ความตายก็มไม่ตายไม่อยู่นั่นไปง่ายที่เดียวเลยลาดไปเลยจนเป็นพัชกิธามีพัชกิธาคามีพระนาคามีจนถึงตระลานต่อมันเก้าแรกตั้งแต่หลงเป็นรูนี้ไปต่อไม่เปลี่ยนหลงเป็นรูมันมีก้าวจากก้ายังย่ำเท่าอยู่ยังติดหลักติดโตออยัง ไม่แค่หลักแก้โซ่แก้ตวนออกจากชีวิตเราโงบเอาความรักความโกรธไปที่ไหนก็ไปบางทีสี่ปีห้าปียังมีอยู่ความรักความโกรธ ค, ความเครแค้นจริงจังเมาหน้ากันไม่ติดเพื่อนละมางก็ทํางานกันไม่ได้นั้นไม่ใช่มันถูกตสูสู้สูส้ตวนปลุกใส่ไว้อยู่บทออกจากให้มันเป็นจกักรยทิ่ถี หลุดออกไปจากกายเฮ้ยคิดชา้าหลุดออกไปจากหัวใจที่มันคงติดอยู่กับอะไไม่สงสัยอะไรอย่าไปสงสัยเนี่ยหัดปลดปล่อยตัวเองอย่างนี้ให้มันเห็นทำเห็นกุศลเหมือนกับพัฒนาเอาายเอาใจบ้านพัฒนาให้มันเป็นกายธรรมธรรมกายมันใช่ได้อัน ทำกายมนะันไปมากไปผลใจนีใจนี่มันไปมากไปผลไปได้ที่แต่ไปป่าเหี่ยวไปฝังไปเผามีอะไรก็ไปไม่ได้กายใจนี่มันไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เพราะว่า กอมเจ้เท่านำเขา้าไม่ยั้งยืนวันนี้เราก็แจ็บไปอีกวันหนึ่งแล้วชั่วโมงหนึ่งก็แจ็บไปอีกการเวลามันกินเรามันเป็นยักใหญ่ชีิตเราก็หมดไปเรามากินเวลาให้มีความรู้หนิให้มันได้ประโยชน์จะให้มันคองไม่รู้กินเราเกินเรา เราจึงมาตั้งต้นชีวิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เสมอไม่ใช่ไม่ตั้งต้นพุงนี้ก็ไม่มีวาร์ดนี้ก็ไม่มีไม่เห็นมีก็ไม่เห็นเราเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือชีวิตจริงลนล่ใช้มันใจมันรู้ <c oughs> ถ้ามันหลงใช้มันรู้มันจึงจะเป็นพุงนี้ดี วันนี้เดี๋ยวนี่ชั่วโมงนี้ไม่ดีชั่วโมงน้าก็ไม่ดีชั่วโมงน้าชั่วโ ม, ง น, นมงนี้ดีชั่วโมงหลังไปก็ดีมาดีมาดีมาเริ่มต้นเฉยแต่วินาทีเนี่ยทิ้งมาสร้างกรรมเถอะสิบสี่วินาทีรู้ทุกวินาทีให้มันมีเริ่มต้นอย่างเนี้ยเดี๋หลงไปรู้ไม่เก้าแรกไปเก้าแรกไปถึงเมื่อไหร่ช่างหัวมัน ลูกก็ไม่เป็นไรไม่ลูกก็ไม่เป็นรยเราจะลูกยังไงเละจถึงไม่ถึงช่างมันเราจะทํานี่แล้วลูกไว้ลูกไ ป, กไปสบายไปที่บัติธรรมมันสะดวกเลยนันลูกนี่อุยสุดหัวใจเวลวใดเรานั่งอยู่กติเราฉันข้าวเฉดเป็นนั่งวางบาตรลงนั่งสะเติลจิตนี่ สุดผไม่ใจอยากให้พ่อให้แม่มานั่งดูลูกชายของท่านลูกเสาวของท่านให้ลูกเสาวของท่านลูกชายของพ่อของแม่มาทําแบบนี้เดินจงกรมมันสุดหัวใจแล้วไปคิดอะไรกังวลเรื่องอะไรมีประโยชน์ไหมมาใช้ลูกใช่กายนี่ใช่กายใช่ใจให้เป็นประโยชน์ ขีข้ามฟากขึ้นฝั่งซะเดี๋ยวนี้นะ้ำถ้าเลื่หงลงเป็นหลงสุกเป็นถุ ก, กเป็นทุกน้ำยังลอยขอขึ้นไปได้จงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละทําดำเสียแล้วเจริญทําขาวละทําดำคือละความหลง ทำรมขาวคือทำความรู้หลงเป็นธรรมดำรู้เป็นคำขาวจงละธรรมดำแล้วเจริญคำขาวโอขาอนุคามกคามาเิเวเจยะตทตลมังตัตาตาปิฎติไมเชียงเหตตาบาคามเอเจจดจงเมื่อถึงที่ไม่น้ำจากที่มีน้ำ มนุษย์ส่วนใหญ่ย่อมอยู่ในน้านั่นเองไม่ถึงผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพันิพานณีน้อยนักเราเสนอเราในสักคนหนึ่งมีน้อยอยังไงเราจะไม่ยอมเนาะพยายามขึ้นให้ได้มนุษย์ส่วนมากผู้ย่อมเป็นโลกอยู่ตามฝั่งนี้เองผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพันธิพานณีน้อยนักไม่ขึ้นไม่ไป เราจึงพยายามทวนกระแสปีนปายมันใช่ปีนปายแบบยากนะเวียงหลงเป็นลูกมันยากไหมนั่งน อ, นอยู่ก็เปลี่ยนได้เดินอยู่ก็เปลี่ยนได้ดั้งอยู่ก็เปลี่ยนได้ยืนอยู่ก็เปลี่ยนได้อะไรอยู่ที่มันหลงก็เปลี่ยนได้ทุกกอกาม า, มาพร้อมกันที่ว่าปฏิบัตทิทำทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสุขวิเชีผู้ปฏิบัติ วิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆสว่าขาตธรรมเนี่ยเป็นปัจจตังของใครของมันไม่มีใครให้เป็นของใครจิตธิ1้0ยเปอร์มันหลงเรามีสิทธิไม่หลงพัฒนามันจ้ สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทานามทำทั้งหมดทั้งสิ่นมาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทานามทำทั้งหมดทั้งสิ่นเกิดขึ้นแล้วแจ็เจ็บตายไปสังขารคือร่างกายจิตใจสิ่เหล่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปทำนามทำมันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราไม่ ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกข์ก็เป็นของเราสุขก็เป็นของเราร้อนเป็นเราหนาวเป็นเราหิวเป็นเราให้เห็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับกายกับใจอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนเห็นอาการแต่เห็นรูปทำนามทำเห็นเป็นอาการไม่เห็นเป็นกายเป็นใจเป็นตัวเป็นตน เป็นาาดาการไม่มีรสชาติมันหล ง, หลงลก็เห็นมันหลงมันรู้เห็นมันรู้มันโกรธเห็นมันโกรธมันทุกข์เห็นมันทุกข์เห็นเบาเบาเห็นนี่ยถ้าเป็นนี่หนักหนักเจ็บปวดถ้าเห็นไม่เจ็บปวดต่อไปมันจึงเหนือเจ็บเหนือเจ๋อเหนือตาเพราะมันเห็นเนี่ยจนชํานานจนชานานดูออกเหมือนหมอดูโรค ไปไดิฉัยโรคออกเองรักษาโรคได้โรคหายสำคัญอยู่กับการดูโลกโอ้เจ้าตัดสู้ดิสัส์ฉิวัดดูออกเป็นหลักทิษฎีที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดทุกมันไม่ใช่ทุกมันเป็นผลละสมุทัยเป็นเหตุต้องแก้สมุทัย แต่ไทยเป็นเหตุตร ง, ตงมีมักมักคือดำเนินออกไปจนมันคน้นก็ในรูปพ้นไปหายได้ไม่ใช่โกรธเป็นโกรธวันที่มันจะโกรธมันหลงถ้าไม่หลงไม่โกรธถ้าไม่หลงไม่ทุกข์มันหลงเราจะมาสร้างภาวะที่รู้เนี่ย มันก็พอดีนะทําอันนี้มันก็ไปเป็นพวงเลยถ้ามีความรู้ความหลงก็ไม่ไม่มันก็เป็นสิ่งของกำเนิดของความหลงโดยตรงถ้าไม่มีความรู้กําเนิดของความหลงก็เกิดขึ้นได้เราจึงทึกตนสอนตนก็เป็นเพื่อนกัน อยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ทอดไม่ทิ่งกันนะอย่าทะเลาะล่ากกันเป็นอกเห็นใจกันเป็นเพื่อนเกิเกดเจ็เจ็บตายด้วยกันจับมือจับแขนเดินทางไปด้วยกันใครเหนื่อยใครล่าก็ช่วยกันมีอาจารย์กรรมฐานแม่ไก่อาจารย์เสาถิ่นอาจารย์เพื่อชัย เป็นเพื่อ น, เ, นเชียงเดินคู่กันไปอบอุ่นไม่ใช่เดียวดเดียวดายเดี่ยวเดียวดายเราก็อยู่ที่นนั้นภิกษุนั่นอยู่ที่นั่นไม่ชีนั่นอยู่ที่นี่ภิกษุนีนั่นอยู่ที่นั่นวาสกคนนั่นอยู่ที่นั่นวาจิกาคนนั่นอยู่ที่นั่นไม่ใช่เดียวได้มีเพื่อนมีมิตรอุ่นใจนอนหลับกลางคืนอย่าไปคิดเรื่องกลัวลังกา ถ้าใครเห็นผีหลอกก็บอกบอกลงตาจะอยากจะได้ผีหลอกอยากได้ผีหลอกจะเอามาขังไว้ให้คนจองตั๋วผ่านประตูเขาไปดูคนคงจะดูมากนะถ้าเห็นมันจริงๆนะลงตาก็หาผีมานานแล้วแต่ไม่เคยเจอเลยเกือบเจอก็มี <laughs> เสียดายยัหนึ่งก็มีผู้หญิงตายออกลูกตายจะมาอยู่พุทธญาณมั่งเลยแต่ว่าผู้หญิงออกลูกผีผีมันแก่แล้วก็มาเผาแล้วก็ตั้งแม่เสนนอยู่ไฟให้มีหม้อนึ่งหม้อมีแป้งมีอูแขนไว้แต่เผาไปแล้วมีแต่กองไฟ เราไปคนหนะ้าเที่ยงคืนไปดูมันจะมีไหมอาจจะนั่งอุม้มลูกกินนมอย่าละมมกอยากจะถามดูเพียงอ้ยตายไปแล้วเนี่ยค่อยๆไปนะเดือนสิบสองหนาวน้่ข้างสลัวสลวไม่ส่องไฟไม่สายไฟมองไปถึงกองไฟแดงค่อยๆ ย, ยองไป มันมีมันจะตื่นมันจะไม่ให้วิ่งมันจะวิ่งหนีใช่ไหมเราเห็นไปทั้งกล้าทั้งกลัวนะอยากเห็นผีฮะโอ้ไปเดินไปแต่เ <ไป S 1> ข า, ขาพุ้นอยู่ข้างกองกวายโอ้ผีหลตัวใหญ่แท้ถมันตีเราเราจะสู้มันได้หรือมันใหญ่กว่าเราผีไห เป็นผีแล้วหรือยังฮะอ้ให้เขาเล่าลือว่าผีฆ่าพระตายสดีนะเขาจะลงหนังสือพิมพ์ผีฆ่าพระพัดป่าพุทธยานตายไปรูปหนึง่งผีแม่โอออกลูกตายอาวพอดีมันกนจะเอาประวัตินี่เป็นเปนประวัติศาสตร์เดินเข้าไปเตินเข้าไป อันที่ตัวเขาเขานีย่ยเดินเพิบขึ้นสูงใหญ่กว่าเขาโอ้โทมันจะสู้เราโดยไหนะอื้ตัดฟันโดนเขาไปพอเห็น <laughs> เข้าไปมันมันเป็นควายเผือกตัวหนังมันนอนอยู่กองไปมันหน้าหนาวแต่เห็นเราเป็นควายเผือกมันแกงเขาเนี่ยตัวผู้เนาะอ้ย เชื้อใดไม่ใช่ผีเสียแล้วเป็นกวยเพือกนะนั่นนะตอนชาาบินท บ, บาทในบ้านกําเนิดเพชรมีชาวบ้านถามอัญญาอัญญานั้นควยเพลือกกรน้อยบ่มันไม่เข้าแรงเมื่อคืนเนี่ยมันก็ไปบางทีก็ไปอยู่เถววัดนหละโอ้ยเห็นว่ามันนอนอยู่กองไฟเมื่อคืนเนี่ยนึกว่าผีหลอกมันนอนอยู่นั่นแหละ เอ๋งก uh, ็มีด้วยพการจะเ